แม้การตื่นมาทำวัดแต่เช้ามือนี่มันเป็นเรื่องยากสำหรับเราซึ่งเป็นคนเมืองแต่ว่าขอให้ทำเถอะขอให้เพียรพยายามเถอะมีหลายคนมีคนเป็นนันมากที่อยากจะมาทำวัดที่นี่หรือว่าที่อื่นแต่ไม่มีโอกาส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 อโอกาสนะที่จะได้นำธรรมะนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าหากว่าเราอยู่ในเพศอื่นพบอื่นหรือวัสภาวะอื่นฟังธรรมก็อาจจะได้ประโยชน์น้อยเพราะไม่เข้าใจมีเรื่องเล่าว่า สมัยหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าได้หลังจากที่จำพรรษานะที่เมืองเวรัญชาพามแล้วเนี่ยพระองค์ก็จาริกไปยังเมืองพรารณนสีกลางทางนี้ก็มีพญายนาคตัวหนึ่งได้มากราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วก็ตัดเพาอว่าได้มา เป็นพยายนานี่มานับหมื่นปีแล้วนะยังไม่มีโอกาสได้มาเป็นมนุษธธย์สักทีพระเจ้าก็เลยจัดเป็นคาถาว่านะการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากนะการครองชีวิตเป็นเรื่องยากการได้ฟังพระสัทธรรมเป็นของยากและการได้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 จุดประกายแห่งความเป็นอิสระภาพของมนุษย์เพราะว่านับแต่ที่พระองค์ได้แสดงพระธมะเทศนานี้ก็มีผู้เี่บุ ธ, ธรรมตามมาเป็นลำดับเริ่มตั้งแต่ปัญจวัคคีย์เตั้งแต่ท่านอัญญาโกลทันยะนั้นถ้าเราได้ฟังสั์ธรรมเนี่ยนะเราก็ได้ปฏิบัติธรรมด้วย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 แล้วไม่ว่าได้อะไรมาก็ต้องรักษาเอาไว้เพราะว่ามันจะสูญหายไปตลอดเวลาได้ทุกเมื่อเลายังต้องนะต้องเจอความพัดพลากสูญเสียที่มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ว่าในขาที่เราเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นลูกหรือเป็นพ่อเป็นแม่แล้ว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 หน้าตาเศร้าแล้วก็บอกว่าพึ่งเสียลูกไปไม่ใช่เพราะอุปติเหตุแต่เพราะว่าสามีเนี่ยยิงภรรยาซึ่งเป็นลูกของเธอตายจริงๆเนี่ยตัวคนที่มามามาเล่านี่อามาฮ า, าตมาไม่ได้เล่ารายละเอียดก็เพียงแต่บอกว่าเสียลูกไปแต่ว่ามีคนมาบอก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 แม้ว่าจะร่ำรวยมีเงินมีทองไม่ต้องทำมาหากินเลยก็ยังเตอต้องเจอความพัดพราาสูญเสียแบบนี้ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่ารวยหรือจนไม่ว่ายิ่งใหญ่หรือว่าต่ำต้อ ย, อยาการที่จะอยู่แล้วครองชีวตได้อย่างมีความสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมาก แม้ว่ามีเงินมีทองแม้ว่าจะประสบความสรุในชีวิตก็ไม่ใช่เป็นหลักประกันเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้เราเนี่ยผ่านความพันผลปลาบปวดและความสูญเสียเหล่านี้ไปได้ก็คือธรรมะซึ่งการอุบากพระเจ้าเกิดขึ้นมาเพร่อเหตุ น, นี้เพื่อให้มนุษย์ได้สามารถจะ ผ่านพ้นความทุกไปได้แม้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องพัดพราดสูญเสียแต่ไม่ทุกก็ได้นะแม้แก่แต่ใจไม่ทุกเป็นไปได้แม้ป่วยแต่ใจไม่ทุกเป็นไปได้แม้พัดพราดสูญเสียแต่ใจไม่ทุกนั้นทําได้และเมื่อ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 โยมบางก็บอกว่านั่นแหละเทวทูตแล้วก็จะถามต่อไปว่าเมื่อเจ้าเห็นคนเกิดแล้วเนี่ยนะเคยคิดไม่ว่าเราจะทำความดีเมื่อเจ้าเห็นนะคนเจ็บเคยคิดไม่ว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเจ็บเพราะฉะนั้นจะต้องทาความดีเหมือนคนแก่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 นะสอนทำเรื่องอ น, นิจจังความไม่จีรังยั่งยืนถ้าหากว่าเห็นคนเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่เกิดสำนึกไม่เกิดความสำเนียกนะอันนี้เป็นปัญหาแล้วเป็นปัญหาทั้งชีวิตนี้แล้วก็ชีวิตหน้านะเจอโยมาบาลนี่ก็ไม่รู้ว่าจะตอบอยังไรแล้วก็จะต้องโดนลงโทษหนักสถานเดียวที่จๆงไม่ใช่แต่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 เมื่อสัก10ปีก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนะทำโทรศัพท์หายโทรศัพท์คืนนั่งราคาแพงแล้วก็มีข้อมูลเยอะร้อนใจมากอยากได้โทรศัพท์คืนก็เลยไปหาเกจิอาจารย์ไปหาหลวงพ่อท่านหนึ่งซึ่งท่านมีกิจศ์ว่านั่งทางหนเก่งไปหาท่านเพื่อจะให้ท่าน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 เทวดาโทนี่จริงแล้วไม่ใช่แค่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนถูกลงโทษเพราะทำผิดหรือคนตายแต่เทวดาโทษนี่มีอยู่รอบตัวเราเลยแล้วก็มีมาเรื่อยๆแล้วคนฉลาดเนี่ยเมื่อเห็นเมื่อเงินหายของหายนี่เขาได้สติหรือเวลาเขาเจ็บเขาป่วยเนี่ยเขาได้สติแล้วแล้วความเจ็บป่วยมาสอนว่าเนี่ย สังขารไม่เที่ยงสังขารไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเป็นตัวเราของเราต้องบังคับได้ไม่ให้ป่วยเมื่วานนี้ยังเดินได้อยู่เลย ว, วันนี้เดินไม่ได้แล้วมันไม่เที่ยงมันไม่จีรังจริงๆแล้วก็มันยังเป็นสัญญาเตือนว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เท่านี้นะวั น, นหน้าหนักกว่า น, นี้นะวันนี้ยังพอที่จะพูดคุยได้ยังพอที่จะเดินเหินได้แต่วันหน้านี้ อาจจะพูดไม่ได้เพราะว่ามีท่อนะใส่มีสายรุยงรลายอย่างนะเคยเฉลียวใจบ้างไหมเวลาเจ็ป่วยเวลาปวดหัวปวดท้องว่าเนี่ยเขากาลังสอนทําให้กับเราอันนี้จังทุกขังอนัตตาและเขากาลังเตือนเราว่าวันหน้าจะหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ย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 พู้ทอนิ่งนะ